บทที่200ค้อาดคำพูดของกุตตมะชัยันตราดเข้าใส่รากะสายฟ้าแลบจากท่าทียังนั่งอยู่กับพื้นแต่เขาไม่เร็วไปกว่ารพินไพรวันก่อนที่ร่างอาดีตนายทหารปืนใหญ่จะถึงตัวกุตมะจอมพรานก็ทลันเกาสกัดชนชัยันเสียหลักไปก่อนอย่าเพิ่งครับคุณชัยันรพินร้องเหตุการณ์นั่นเองทำให้เชษฐามาเรียและดาริน ไหวตัวพรึบขึ้นพร้อมกันสำหรับท่านหัวหน้าคณะยังสงบนิ่งอยู่แต่ประสาทตื่นพร้อมมาเรียกับดารินก็โจรเข้ามาในพริบตาต่อไปต่างทำงานประสานกับระพินได้ฉับพลันโดยการฉุดรั้งชัยยันไว้ไม่ให้เข้าถึงตัวกุตมะและลากห่างออกมาหนักบบนี้ถาดแบกเสลียงทั้งสี่ยังยืนกอดอกนิ่งเฉยเหมือนตุ๊กตาปัน กุตมะก็ยังคงยึดกายนิ่งอยู่เหมือนเดิมชายชราอันมีตำแหน่งที่ปรึกษาทหารและเป็นที่ไว้วางใจที่สุดของกษัตริย์สิงหาราตามที่คณะพักเข้าใจไม่มีท่าทีหวั่นไหวพรั่นพึงใดใดทั้งสิ้นและคนที่ยืนอยู่ใกล้ตัวเขาที่สุดเบื้องหน้าในขณะนี้คือจอมพรานระพินกุตมะตะกี้ท่านพูดว่าอะไรนะไหนพูดอีกทีสิ มักคุเทศผู้ยิ่งยงแห่งคณะเดินทางถามมาด้วยเสียงแผ่วต่ำมองตากุตมะไม่กระพริบเราพูดว่าพวกท่านทั้งหมดถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินนี้แล้วเหมือนหนูไตจันอย่างที่รหัสสยะเคยกล่าวไว้ระพินเหลียวมองไปยังทางออกซึ่งหักโค้งเป็นทางเดินข้อศอก ซึ่งเขายังไม่อาจเห็นอะไรผิดปกติได้บุญคำเขาร้องเรียกเสียงหนักๆครับนายตะพานเท่าผุดลุกขึ้นยืนทันทีกระพินออกคำสั่งต่อไปโดยไม่ได้เปลี่ยนสายตาไปจากตัวประกันไหนก็พอดูปากทางดิมีอะไรผิดปกติบ้างบุญคำลุกขึ้นวิ่งตัดออกบริเวณสวนหน้าที่จําขังนั้นขึ้นบันไดหินสองสามขั้น ขึ้นสู่ทางเดินอันหักเลี้ยวข้อศอกนั้นทันทีและผุนผันหายออกไปทางช่องโค้งนั้นไม่ถึงอึดใจแกก็วิ่งในลักษณะตาเหลือกลับมาตะโกนรายงานก้องว่านายนายมันเล่นไม่ซื่อกับเราละล่ะนายขาที่เราเข้ามาน่ะทางเดินตรงมุมหักนั้นนะ่ะมันเป็นทางโลง่งไม่มีประตูเลยแต่ตอนนี้น่ะมันมีลูกกรงเหล็กเลื่อนลงมาจากข้างบนลงมาปิดชิดกับพื้นด้านล่าง มันขังเราแล้วล่ะนายทุกคนในที่นั้นทะลึ่งพรวดขึ้นยืนพร้อมกันหมดไม่ต้องตกใจแตกตื่นอะไรทั้งนั้นสงบสติอารมณ์ไว้ก่อ น, เ, นอเชษ่าตะโกนก้องบอกทุกคนทำให้พวกพรานพื้นเมืองที่เริ่มหันรีหันขวางระสําระสายอยู่ในขณะ น, นี้หยุดตัวเองอยู่กับที่ทันทีบุญคำวิ่งหน้าตาเลิกลักเข้ามาถึง ก็รายงานลิ้นพันกันจนฟังไม่ได้สักสรุปว่ามีลูกกรงที่ซ่อนจากเพดานทางเดินตรงหุนทางหักเลี้ยวข้อศอกซึ่งมองไม่เห็นร่องรอยวี่แววเลยในขณะที่พากันเดินลงมาหรืออาจเป็นเพราะไม่ได้สังเกตด้านบนมาก่อนก็ได้ได้เลื่อนลงมาปิดขังทุกคนที่อยู่ภายในนี้ซะแลว้วอนุชาวราริตกับนานอินหัวเราะออกมาเบา อย่างปราศจากความสะทกสะทานใดๆทั้งสิน้นเพราะดูเหมือนจะคุ้นเคยหรือรู้เส้นทางดีอยู่แล้วพี่ใหญ่ครับเขาพูดเรียบๆบนหัวเราะแผวๆคุกใต้ดินแห่งนี้นะครับมีลูกโครงเหล็กกั้นไว้เป็นชั้นๆทุกๆระยะเส้นทางเดินที่หักเลี้ยวเป็นมุมโค้งครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า3ขั้นลูกโรงเหล็กเหล่านี้นะถ้าเปิดมันจะเลื่อนหายขึ้นไปยังเพดานด้านบน ถ้าไม่สังเกตดูให้ดีก็ไม่เห็นร่องรอยอะไรหรอกครับแต่ถ้ามันจะปิดมันก็ค่อยๆเลื่อนจากด้านบนลงมาจะหดกระพื้นด้านล่างลักษณะการทำงานของมันเหมือนการใช้พลังงานไฟฟ้าของโลกวิทยาศาสตร์แต่การทำงานที่แท้จริงของมันนะใช้หลักโมเมนตัมโดยการสลายตัวของทรายอันเป็นระบบปิดเปิดประตูกลนเท่าที่มนุษย์ในสมัย 2,000 ปีก่อนประดิษฐ์ขึ้น และถ้ามันปิดลงมาแล้วต่อให้ช้างสารก็ไม่สามารถจะยกมันขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถึงพี่ใหญ่จะช่วยผมให้ออกมาจากห้องขังที่ผมเรียกว่าห้องนอนนี่ได้หากมันจะปิดขังพวกเราทุกคนมันก็มีประตูที่จะปิดขังได้หลายชั้นเหลือเกินที่กุตมะพูดน่ะถูกแล้วล่ะครับผมก็มัวแต่ดีใจที่เห็นพี่น้องและเพื่อนที่จะลืมที่จะบอกความจริงให้ทราบเพื่อพวกเราทุกคนรีบขึ้นไปจากที่นี่ซะก่อน เชิดาตาลุกวาวขึ้นในทันทีนั้นน้อยเมคุมกุตมะไว้เขาสั่งแล้วดีดนิ้วโดยแรงพอรพินหันกลับมามองเขาก็พยักหน้าเรียกรพินไปเราจะไปสำรวจทางที่ถูกปิดนั่นด้วยกันทั้งหมดให้พรานมือดีของคุณสักคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนน้อยกับเมที่นี่ก่อนแล้วกันฉันอยู่คุมที่นี่ เ, เองชยันเสนอออกมาด้วยเสียงคำรามแต่เชิดาสั่นศีรษะ แกน่ะไปกับพวกเราทั้งหมดด้วยชยันฉันไม่ไว้ใจความเลือดร้อนของแกแกอาจจะฆ่ากุตมะเสียก่อนในระหว่างที่พวกเราไม่อยู่ก็ได้อดีตนายทหารปืนใหญ่สะบัดหน้าแล้วเข้ามารวมกับพักพวกตามคำสั่งของเชิฐาาระพินสั่งให้จันอยู่เป็นเพื่อนสองสาวอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็พยักหน้ากับเชิฐาครันแล้วทุกคนเว้นจากผู้ที่ถูกสั่งให้คุมเชิงกุตมะ ก็เดินขึ้นบันไดตรงไปยังทิศทางที่บุญคาแล่นขึ้นไปดูเมื่อครู่ทั้งขบวนรวมทั้งอนุชาและหนานอินด้วยพอเลี้ยวโค้งข้อสอบทุกคนก็ใจหายวูบเมื่อมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่บุญคำรายงานทุกอย่างเบื้องหน้าอันเปนทางเดินกว้างประมาณสเมตรมิเพดานไม่สูงขึ้นไปมากนะักบบบนี้ลูกครงเหล็กสี่เครื่องเครื่องขวางกันเอาไว้ เรากับบรรดานขึ้นเดอะเวทมนต์ส่วนปลายของลูกกครงเหล็กแตละสี่ฝังสนิทลงไปในร่องหินด้านล่างที่ทําไว้ก่อนแล้วซึ่งในขณะที่เดินผ่านกันลงมานั้นไม่มีใครสังเกตเฉลียวคิดสักคนเดียวทั้งทั้งที่ระมัดระวังตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตามด้านหลังลูกกลรงออกไปก่อนที่จะถึงทางหักเลี้ยวข้อศอกอีกครั้งมีผู้คุมยืนยามถือหอกอยู่สองคน บัดนี้มองพร้อมกับยิ้มเสยเข้ามาคบเพลิงที่ปักว่าริมผนังทั้งสองด้านทําให้ทั้งสองฝ่ายมองเห็นกันได้ถนัดพอสมควรระพินไม่สนใจกับอะไรก่อนทั้งสิ้นเดินเข้าไปสํารวจความแข็งแรงของลูกกรงนั้นจนชิดแล้วเขก็มองเห็นตามที่คุณชายอนุชาบอกไว้ทุกอย่างลูกกครงเหล็กอันเป็นประตูกั้นนี้ถูกเคลื่อนลงมาจากเบื้องบนและฝังเดือยลงมายังร่องหินด้านล่าง เกิดเซยบุญคำขยินและสางปาตรงกันเข้ามาช่วยกันจับเหล็กคาดลูกกรงด้านล่างพยายามอย่างสุดแรงเกิดที่จะช่วยกันยกขึ้นแต่ลูกกรงนั้นก็ไม่ได้ขยับขยื่นเลยยังกะจะยกภูเขาทั้งลูกเจ้าพรานบอกคนของเขาให้ถอยออกมาแล้วหันไปมองหน้าเชตดถาพูดเสียงเบาเรียบคุณชายครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณชายอนุชาบอกครับต่อให้ช้างสารก็ไม่สามารถจะยกลูกโครงเหล็กนี่ให้เคลื่อนขึ้นไปได้ไกลไกของการปิดและเปิดในระบบทรายหรือปั้นจันรจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งด้านนอกมีน้ำหนักเป็นจำนวนมากมายกกดดันลูกโครงเหล็กเหล่านี้ไว้ด้านบนอีกทีหนึ่งเรกเข่าไปซะแล้วระพินความที่เราอยากจะพบเห็นอนุชา ทำให้เราหลวมตัวอย่างสนิททั้งๆ ท, ท, ที่คิดไว้รอบครอบกันดีที่สุดละเชทฐาตอบในเสียงเดียวกันมองลอดสี่ลูกกรงออกไปจับยังยามทั้งสองซึ่งยืนห่างออกไปในระยะเกินกว่าที่จะเอื้อมมือถึงความจริงเราควรจะสั่งให้สิงหรานำอนุชากนันอินขึ้นไปพบเราข้างบนไม่ใช่ยอมลงมาพบในคุกใต้ดินแบบนี้ เราโมแต่คิดอยู่อย่างเดียวว่าเรามีตัวประกันคือกุตมะลงมาด้วยก็แล้วทาไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากตัวประกันของเราทําใหประตูนี้มันเปิดขึ้นในได้ล่ะชัยันร้องออกมาเชิดาหันไปทางบุญคําสั่งว่ะบุญคําลงไปบอกน้อยกเมริให้คุมตัวกุตมะและคนของเขาทั้งสีให้ขึ้นมาที่นี่ บุญคำวิ่งกึ่งกระโจนลงไปในทันทีที่ขาดคำสั่งครู่เดียวดารินมาเรียจันก็นำตัวกุฎมะและท่าทั้งสี่ขึ้นมาทุกคนแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นกุตมะเดินขึ้นมาด้วยตนเองอย่างสงบจากขาทั้งสองข้างของตนไม่ได้ให้ท่าแบกเสลียงขึ้นมาอย่างที่เคยเห็นเพราะที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกฎนครเข้ามาถึง ท่านหัวหน้าคณะก็จับไหล่ดันตัวเข้ามาชิดลูกโรงกุตมะบอกยามสองคนที่ยืนเฝ้าอยู่นั่นให้หาทางใดทางหนึ่งเปิดประตูนี้ขึ้นก่อนที่พวกเราจะฆ่าท่านกุตมะหัวเราะแผ่วเบาไม่มีประโยชน์อะไรหรอกท่านประตูนี้จะไม่มีวันเปิดขึ้นอีกแล้วจนกว่าพวกเรา คนที่ติดอยู่ในนี้จะเหลือแต่โครงกระดูกแต่เราก็จะไม่ขัดคำสั่งท่านรอกเมื่อท่านจะให้เราบอกให้ยามเปิดประตูเราก็ยินดีที่จะบอกให้แล้วท่านคอยดูว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างกล่าวจบกุตมะก็ตะโกนกล้องออกไปว่าในน้ำแห่งกุตมะ ให้ปรึกษาราชะการทหารของกษัตริย์สิงหาราเจ้าทั้งสองจงขึ้นไปบอกให้ผู้คุมคุกเปิดประตูที่กั้นอยู่นี่ออกเดี๋ยวนี้สองผู้คุมยืนเฉยและมองเข้ามายังทุกคนภายในเขตกั้นของลูกกรงเหมือนมองดูสัตว์กุตมะหันไปมองหน้าเชษฐาแล้วยักไหล่นิดนึงกล่าวต่อมาว่า ท่านจักฆ่าหรือจะทำอะไรกับเราก็ได้ถ้าท่านคิดว่าประตูนี้จะเปิดให้พวกท่านได้ชยันง้างหมัดขึ้นกะจะตบันหน้ากุตมะให้ไปมรักแต่เชิฐถาจับแขนไว้บัดซบชยันนี่ก็ยังไม่รู้อีกล่ะ ว, ว่าพวกเรานะ้พลาดท่าเสียทีสิงหาราเสียแล้วที่ยึดเอาตัวกุตมะลงมาเป็นตัวประกัน ความจริงนะกุตมะไม่มีความหมายอะไรเลยกับกษัตริย์สิงหาราเราน่ถูกขังตายอยู่ในนี้ฝ่ายเดียวเมื่อไรกุตมะกะธาดแบกเสลียงทั้งสี่คนนี่ก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกับเราด้วยชา ย, ยันกัดริมฝีปากคิดแล้วก็เริ่มจะมองเห็นความจริงขึ้นตามที่เชษฐาพูดสมบทลั่นออกมานารกจ ก, กเปดตไอเสือเท่านี่มันกล้าย้อนสลาชีวิต เพื่อสิงห์ราจการกัเราได้ตามอำเภอใจอย่างนี้เชียวเหรอทุกคนตกตะลึงและมึนงงไปหมดในเหตุการณ์ที่ผันแปรไปอย่างไม่คาดฝันเช่นนั้นเสียงมาเรียครางออกมาว่าโอ้ไม g ก d เราไม่น่าจะเสียทีเจ้าอ้วนผู้จ้าอ่อนหวานละมุนละไมนั่นเลยครั้นแล้วทุกสายตาก็เปลี่ยนมาจับจ่องที่กุตมะเป็นตาเดียวกัน คุนพลพูดเท่ามองตอบสายตาเหล่านั้นโดยสงบและไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นลักษณะของเขาดูเหมือนจะพร้อมแล้วที่จะรับทันอะไรก็ได้ที่จะมาจากคณ ะ, ฉะเฉลยซึ่งแวดล้อมอยู่ในขณะนี้ส่วนท่าทั้งสี่คนก็คงเงียบขรึมอยู่เหมือนเดิมนี่เป็นคำสั่ง ใครอย่าเพิ่งทำอะไรกุตมะกับคนสี่คนนี้ทั้งสิ้นนะเชื่อถาประกาศกับพักพวกของเขาทุกคนขยับปืนในมือเหมือนจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนะึงแต่แล้วก็สอดปืนจุดสี่สี่แมกกระบอกนั้นเข้าซองข้างเอวเรียกก็ะปืนสั้นริ n g กิ a c t i ช n จุดสองสองแมกน้ามาจากเกิดขณะนั้นไม่มีใครอ่านความคิดของท่านหัวหน้าคณะได้ทั้งสิ้น ทุกคนเห็นเขางงางนกปืนกระบอกนั้นขึ้นมาอย่างเยือกเย็นแล้วส่องออกไปยังยามคนหนึ่งในจำนวนสองคนนั้นพร้อมกับพูดดังๆว่าเจ้าทั้งสองนะ่ไม่กลัวความตายหรือความเจ็บปวดหรอกเหรอทั้งสองผู้คุมหัวเราะอย่างขบขันเจ้าจะมีปัญญามาทำอะไรให้เราตายหรือจะทำอะไรให้เราเจ็บปวดได้ เจ้าทั้งหมดต่างหากที่จะพบกับความตายอย่างทรมานที่สุดหนึ่งในสองร้องตอบมาพร้อมกับหัวเราะเยยอหอยันกุตมะเรามีความจำเป็นเหลือเกินนะที่จะต้องฆ่าผู้คุมสักคนหนึ่งและทำให้อีกคนหนึ่งเจ็บปวดสาหัสและกลับขึ้นไปบอกให้นายของมันรับรู้ข้างบทเชษฐากล่าวขึ้น พร้อมกับเลงศูนย์ไปที่ใบหน้าของผู้คุมคนที่ตอบคำเข้ามาเสียงเบาๆของกุตมะตอบมาว่าก่อนสุดแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเถิดท่านจะทำอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่าจะทำให้ท่านปลอดภัยเราจะไม่ขอร้องอะไรทั้งสิิ์ท่านหัวหน้าคณะพยักหนะ้าและพริบตาต่อมานั่นเอง จุดสองสองแมกนัมในมือของเขาก็ระเบิดแหลมกึกก้องขึ้นจนทุกคนสะดุง้งมันดังดังเหลือเกินภายในที่อับทึบเช่นนี้ดังจนรพินทร์ไทวันเองก็คาดไม่ถึงพร้อมกับเสียงนั้นผู้คุมคนที่ตกเป็นเป้าหมายถูกกระสุนจุดสองสองแมกเจาะเข้าที่กลางดั้งจมูกทะลุออกศีรษะเบื้องหลังหมุนควางแล้วหวบลงตายสนิท เลือดเริ่มไหลปรีออกมานองพื้นในขณะที่อีกคนหนึ่งยืนอ้าปากตะลึงค้างโดยที่ยังไม่รู้จักอำนาจปืนหรือเข้าใจอะไรทั้งสิน้นผู้คุมที่เหลืออีกคนหนึ่งถือหอกเข้ามาก้มดูเพื่อนที่ความโคโลไปแล้วและพยายามจะพลิกกายขึ้นมาดูเชิดฐ้ายิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมที่สุดไม่เคยมีใครเห็นท่านหัวหน้าคณะทาอะไรได้อย่างเลือดเย็นเฮี้ยมเกรียมเช่นนี้มาก่อน เขาบายศูนย์ปืนอีกครั้งแต่คราวนี้เล็งไปที่ขาตรงบริเวณเข่าของผู้คุมที่กำลังปลุกเขยาวาพือนแล้วลั่นไกสนันวันไว้ขึ้นเป็นนัดที่สองไม่ทันขาดเสียงลั่นเปรี้ยะร้าวแก้วหูทุกคนเห็นยามคนนั้นสุดหัวบลงดิ้นทุรนทุรายกับพื้นแหกปากร้องออกมาอย่างโหยหวนมือทิ้งหอกขยุ่มกุมที่หัวเขา่าซึ่งบัดนี้กระดูกบริเวณนั้น ละเอียดแล้วก็ตั้งต้นร้องครางพร้อมกับดิ้นบิดกายด้วยความเจ็บปวดเอ็นอึงไปหมดเจ้ายังไม่ตายหรอกแต่ขาของเจ้านพินาศไปแล้วด้วยอาวุธในมือของข้านี่เชิดถาตะโกนบอกขึ้นไปเจ้าจงตะกายพาร่างของเจ้ากลับขึ้นไปบอกเจ้านายของเจ้าข้างบนด้วยในสิ่งที่เจ้าเห็นนี่ แล้วบอกด้วยว่ากุตมะกับอีกสี่คนจะมีสภาพเหมือนสหายของเจ้าและตัวของเจ้าเองที่ประสบอยู่ในขณะ น, นี้หากไม่เปิดประตูให้เราไปเร็วก่อนที่ข้าจะระเบิดขมองของเจ้าซะเ <is> จ้าผู้คุมคนนั้นร้องพลางก็ตะเกียรตะกายคลานลากตัวเองขึ้นบันไดรับทางเลี้ยวข้อศอกไปอย่างเจ็บทรมานขิดสุด อย่าว่าแต่กุฎมะเลยที่ยืนหลับตานิ่งอยู่ในขณะนี้แม้แต่ดารินเองหล่อนก็ยกมือขึ้นปิดหน้าด้วยความหวาดเสียวนึกไม่ถึงมาก่อนว่าพี่ชายใหญ่บดใจเฮี้ยมขึ้นมาก็เป็นความเฮี้ยมที่เกินความคาดฝันของหล่อนทีเดียวมาเรียกัดริมฝีปากนิ่งชะยันเองนะ่ะเป็นคนใจร้อนอยากจะฆ่าเจ้าพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแต่พอมาเห็นต่อหน้าต่อตาว่าสหายผู้เยือกเย็นของเขา ทำอะไรลงไปก็ถึงกับมือสั่นเหงื่อแตกซิกเชิดทาหันมามองหน้าระพินอีกครั้งผู้กองผมมีความจําเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้ครับผมและขอบคุณคุณชายมากครับที่กรุณาไม่ใช้งานนี้กับผมครับคุณคงตำหนิผมดีนะผู้กองไม่หรอกครับ ผมเห็นว่าคุณชายทำถูกแล้วครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฆ่าไอคนที่โดนนัดเดียวนะ่ะตายนะ่ะไม่เท่าไรหรอกครับแต่ไอคนที่คุณชายยิงลูกสะบ้าหลุดไปนั่นอาการของมันนะทุเรศเหลือเกินแต่เราทั้งหมดจะทุเรศยิ่งกว่ามันมากนักนะในการที่ถูกขังและอดตายอยู่ในคุกใต้ดินเชิดาตอบพร้อมกับหัวเราะเสียงกราบผมเสียใจครับ ที่ผมเป็นหัวหน้าของพวกเราทุกคนและทุกคนแม้แต่คุณเองก็มอบการตัดสินใจให้กับผมทุกอย่างแต่มันปรากฏว่าผมนี่โง่มากที่เอาพวกเราทุกคนลงมาติดกับในนี้แล้วเราจะทํำยังไงกันต่อไปดีละครับพี่ใหญ่อนุชาวราริศเอ่ยขึ้นเป็นคําแรกคนเดนตายอย่างเขาดูเหมือนจะไม่สะดุ้งสะเทือนกับเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นซะละ จะเป็นการโง่เกินไปไหมที่เราจะยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อดักยิงใครก็ตามที่มันจะโผล่หน้ามาใหเห็นอีกหรือมิฉะนั้นก็รอดูเหตุการณ์ว่าไอ้คนขาหักด้วยลูกปืนน่ะมันลากตัวของมันขึ้นไปพักพวกบนนั้นเห็นและจะมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นต่อไปเพราะเราก็ฝากให้มันเอาคําของเราขึ้นไปบอกพวกมันบนนั้นแหละไม่ทันขาดคําของเชษฐา เก็เห็นเงาหลายเงาวิ่งพรูกันลงมาพร้อมกับเสียงเอะอะโวยวายอดีตท่านทูตทหารบกยกปืนในมือขึ้นจ้องระวังอีกครั้งพร้อมกับประกาศกับทุกคนว่าทุกคนเฉยไว้ก่อนไม่ต้องช่วยผมยิงเองกระสุนจุดสองสองแม็กน่ะมันมีมากพอที่จะใช้ได้อีกนานเก็บกระสุนขนาดอื่นไว้ในยามจาเป็นดีกว่าครับ เจ้าคนแรกกระโดดรับมุมหักข้อศอกลงมาอย่างโง่เง่าฉีธานียวไกลปังเขาไม่กะยิงให้มันตายดังนั้นกระสุนจึงเจาะทะลวงและตะยควานเข้าที่หัวหล่ร้องจ้าสุดเสียงขึ้นมาอีกคนหมุนเป็นนกปีกักดินพราดชนกำแพงแล้วม้วนตัวกลิ้งครุก ๆ, ๆลงมามอประเทหน้าบูดเบี้ยวอยู่กลางกงเหล็กที่ขวางกันหนาห่างเพียงสองว่า เจ้าอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ถึงก็ตายหรอกแต่เจ็บมากหน่อยนะเอาความเจ็บนี่ขึ้นไปบอกกษัตริย์สิงหราด้วยลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปเร็วทหารเคราะห์ร้ายผู้นั้นตาเหลือกเลือดไหลปรีมือตะปบบาดแผลไว้แน่นด้วยสีหน้าที่บูดเบี้ยวแล้วยันกายโซเซลุกขึ้นวิ่งกลับขึ้นไปอย่างไม่ตรงทางนะักพร้อมทั้งตะโกนบอกพักพวกที่กาลังจะตามลงมา ถึงพิษสงที่ตนได้รับต่อให้ท่านข้าหรือทำอันตรายทหารกับผู้คุมให้หมดทั้งคุกนี่ก็อย่าคิดนะว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับท่านสิงหราคงไม่เปิดประตูที่ปิดขังท่านไว้นี่ออกรกเสียงกุตมะกล่าวมาอย่างเนิบช้า คราวนี้เชิทาั ง, ง้างนกขึ้นอีกครั้งจ้องไปที่ศรีรษะของกุตมะมาเรียผู้ยืนอยู่เบื้องหลังของที่ปรึกษาทางทหารฝ่ายมรกรนครนก็เพนหนีให้พ้นวิถีกระสุนทันทีอย่างจัดเจนว่องไวท่านเองน่ะพร้อมที่จะเจ็บหรือตายอย่างตัวประกันแล้วไม่ใช่เหรอกุตมะโดยไม่ได้ดสะทกสะเทือนเลยกุตมะยิ้มน้อย พร้อมกับพ ง, งกศีษะนิดหนึ่งใช่เราพร้อมแล้วไม่ว่าจะเจ็บหรือตายในฐานะที่ท่านยึดมาเป็นตัวประกันท่านหัวหน้าคณะลดนกปืนลงอย่างแช่มช้าพร้อมกั บ, บาบปากระบอกลงมาเบื้องตัท่านเป็นคนกล้าหาญมากกุตมะแล้วเราไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเหตุใดท่านถึงทำเช่นนี้เราทำเช่นไรกุตมะยอนถามเสียงเนิบชาก็กล้าลงมาเป็นตัวประกันทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่แล้วว่าสิงหรามีแผนจะหักหลังเราแล้วท่านก็ต้องตายแน่เราไม่มีวิธีใดที่จะเลือกให้ดีไปกว่านี้แล้ว ก็ทำไมท่านถึงได้กล้ายอมเสียสละชีวิตท่านเองถึงเพียงนี้ล่ะอาคันตุ ก, กะในเมืองนี้ก็มีอยู่สามคนเท่านั้นที่ท่านจะเลือกเอาลงมาเป็นตัวประกันหนึ่งกษัตริย์สิงหาราซึ่งเป็นไปไม่ได้สองพระอนุชารหัสยะ และก็สามคือเรากุตมะแล้วในระหว่างสามคนนีข้าคิดว่าข้าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะสิงหราและรหั ส, สยะคงไม่ยอมลงมาเป็นตัวประกันให้ท่านแน่จึงพยายามวางอุบายให้พวกท่านมองเห็นความสำคัญของข้า และพวกท่านก็นหลงกลเลือกเอาข้ามาเป็นตัวประกันจนได้ผลที่พวกท่านได้รับก็คือสิ่งที่เห็นกันอยู่นี่ไงก็แปลว่าท่านยอมตายแทนสิงหราหรือรหัสยะพร้อมกับพวกเรายังงั้นเหรอกุตมะดารินถามขึ้นบ้างด้วยเสียงที่สั่นเครือ รูปการมันก็เป็นเช่นนั้นและอาคันตุกะเพราะโดยที่จริงแล้วข้ากุตตมะหามีความสำคัญอันใดมิได้เลยแก่สิงหราหรือรหัสยะทั้งสองน่ะต้องการที่จะฆ่าข้าพร้อมกับพวกท่านด้วยนี่ฮาดูสิรูปการมันพลิกกลับตลปัดไปหมดเราไม่น่าจะหลงกันไอ้แก่นี่เลย ชัยันสะบดลั่นออกมาท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดของผู้คุมที่ถูกยิงตายอยู่นอกลูกกรงซึ่งบัดนี้กองเลือดอันมากมายได้ไหลรินเป็นทางลงมายังคณะทั้งหมดที่ติดจัน์อยู่ทุกคนยืนนิ่งงันกันไปครู่ใหญ่ในที่สุดอนุชาวราริศก็เอ่ยทำลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงปนโฮลว่า ทุกคนครับขอให้ทุกคนฟังผมพูดก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยถึงยังไงเราก็ยังมีเวลานานพอที่จะหาทางช่วยเหลือตัวเองเดี๋ยวนี้นะมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าพี่ใหญ่และทุกคนเลือกตัวประกันผิดอุตมะนะ่ะถูกแทงบัญชีจำหน่ายจากสิงหราแล้วและถูกใช้เป็นเหยื่อสำหรับล่อพวกเราให้ลงมาติดกับดัก ผมคิดว่าเรากลับลงไปข้างล่างแล้วก็ไปคุยกันให้สนุกดีกว่าครับพบหน้ากันนี่ยังไม่พูดอะไรกันสักกี่คําก็เกิดเรื่องตื่นเต้นเกี่ยวกับความเป็นความตายเข้ามาแทรกซะแล้วเอาเป็นว่าเราพับเรื่องนี้ไว้ก่อนถึงแม้มันจะขังเราไว้ในนี้หรือกะที่จะให้อดตายไปเองก็บอกแล้วว่ายังพอมีเวลาที่จะใคร่ครวญได้ไปนั่งคุยกันข้างล่างให้สบายก่อนเถอะครับเชิญครับ คุณชายอนุชาพูดถูกแล้วล่ะครับระพินเสริมขึ้นแล้วเขาก็จับแขนขุนพลเท่ากุตมะอย่างสนิทสนมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพาประคองเดินนําลงไปเบื้องล่างทุกคนถอนใจเขึอนพากันเดินตามลงมาทั้งหมดระพินนํากุตมะขึ้นไปนั่งบนแท่นตามเดิมกิริยาของเขาอ่อนโยนลงมากสําหรับกุตมะ ไม่ดุดันและระวังแจะผิดไปจากเดิมกุตมะเขาเอ่ยขึ้นยิ้มยิมทำไมนะทำไมท่านถึงทำให้เราหลงเชื่อว่าท่านเป็นตัวประกันที่จะให้ความปลอดภัยกับพวกเราได้มากที่สุดแต่เราก็กลับกลายเป็นว่าท่านก็ต้องมาตายร่วมกับเราทั้งทั้งที่ท่านก็รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนแล้วอะ กุตมะเงียบไปครู่หนะึ่งแล้วก็ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆตามเดิมว่าก็เพราะเราต้องการให้พวกทันเลือกเอาเราลงมาเป็นตัวประกรันแทนคนอื่นๆนะสิเราไม่เข้าใจที่ท่านพูดนะกุตมะและเราก็ไม่เชื่อด้วยว่าการกระทาของท่านครั้งนี้นะ่ะเป็นการกระทาโดยเสียสละตัวเองเพื่อดักพวกเราทุกคน ให้ตกมาอยู่ใต้อำนาจของสิงหาราและรหั ส, สยะกุตมะยินระหว่างที่ทั้งสองพูดกันอยู่เบาๆนั้นดารินซึ่งสังเกตดูท่าทีของรพินไม่วางตาก็พละจากพี่น้องและเพื่อนฝูงที่กําลังสนทนากันอยู่ย่องเข้ามายืนฟังอยู่เบื้องหลังของจอมพรานอย่างเงียบกริบการโต้อตอบของทั้งสองหล่อนจึงได้ยินทุกถ้อยกระทงความ ท่านพรานรพินท่านไม่คิดบ้างเหรอในข้อที่ว่าข้าทหารที่ดีที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายนะจะต้องกล้าหารยอมเสียสละตนเองเพื่อเจ้านายของเขาเรากระทาตเพียงสี่คนนี่ตายแต่สิงหราก็สามารถเอาชนะเหนือท่านและศัตรูสำคัญได้ ก็เหตุใดเราจึงจะยอมเสียสลับตัวเองไม่ได้โดยในนี้เราเองก็แก่ชารามากแล้วอยู่ไปก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะักจอมกุเทศพยักหน้าช้าๆก็เป็นเหตุผลที่พอฟังได้ในการที่ท่านกล่าวเช่นนี้เขาเว้นระยะไปครู่เมื่อเห็นกุตมะมองเลยผ่านไปเบื้องหลังก็เหลียวกลับมา จึงพบพมิดารินมายืนกอดอกฟังอยู่แล้วใกล้ๆพาะใหญ่ไม่สนใจอะไรกระฝายของเขาอีกคนหนึ่งที่ย่องมาฟังข้อความเจรจาระหว่างเขากับกุตมะแต่หันกลับไปทางเดิมกล่าวกุตมะต่อว่านี่กุตมะแต่เราน่ะไม่เชื่อนะไม่เชื่อหรอกในสิ่งที่ท่านพูดท่านรานท่านไม่เชื่อในข้อไหน ก็ในข้อที่ว่าท่านจะซื่อสัตย์พักดีมองเห็นสิงหราเป็นเทพเจ้าจนถึงขนาดที่ท่านในกล้ายอมสละชีวิตให้เพื่อลวงเราลงมาติดกับดักไงท่านพรานก็ท่านเห็นอยู่แล้วในขณะ น, นี้ว่าเรากระทาทั้งสี่ของเราก็ตกอยู่ในกำมือของท่านและตกอยู่ในที่คุมขังของสิงหราด้วย แลวไม่เห็นเหล่ว่าทหารอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็หาอุบายให้พวกท่านปลดปล่อยออกไปจากสถานที่นี้จนหมดสิ้นซึ่งท่านก็หลงกลหมดทุกอย่างก่อนที่ระพิงจะกล่าวเช่นไรดารินก็สอดน้ำเสียงแผ่วเบาอ่อนโยนขึ้นมาว่ากุตมะบาดแผลของท่า น, นเป็นยังไงบ้างละ่ะที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกฎนคร มองไปทางหญิงสาวด้วยสายตาที่เปิดเผยความรู้สึกภายในไม่หญิงท่า น, นาเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นอย่างสูงกุตมะจะไม่มีวันลืมเลยความไม่ลืมของท่านก็คือการหักหลังพวกเราทุกอย่างอย่างนี้เหรอแต่เราก็เชื่อยอย่างเดียวกับพรานระพินนะ ว่าท่านจะต้องไม่มีเจตนาใดๆในทางร้ายกับเราทั้งสิ้นนอกจากจะมีความจำเป็นอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังซึ่งท่านไม่ยอมปริปากระพินก็กล่าวต่อมาอีกว่าแล้วถ้าท่านจะบอกว่าไอ้ที่จำเป็นต้องทำดังนี้ก็เพราะสิงหราจับเอาบุตรพัญญาหรือญาติพี่น้องของท่านเป็นตัวประกันไว้บังคับให้ท่านยอมทาการครั้งนี้ ก็ขออย่าให้พูดเช่นนั้นอีกเลยนะเพราะสมัยที่ท่านทรยศต่อราชวงศ์เทพท่านก็เคยอ้างเรื่องสิงหราจับบิดามารดาของท่านเป็นตัวประกันบีบบังคับท่านให้เราได้ฟังครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ขุนพลชราหัวเราะออกมาเบาๆด้วยความขบขันอย่างน้ำใสใจจริงเป็นครั้งแรกท่านพรานท่านเป็นคนฉลาดคมในฝัก พูดน้อยแต่เป็นพลังสำคัญที่สุดของการเดินทางคณะ น, นี้ท่านไม่ต้องมาดักคอเราไว้อย่างนั้นหรอกเพราะนั่นน่ะไม่ใช่เหตุผลของเราก็ถ้าเช่นนั้นเหตุผลแท้ จ, จริงของท่า น, นคืออะไรดารินถามแทรกทันทีแม่หญิงท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ด้อยสติปัญญาเช่นกันตลอดเวลา ท่านก็ยืนฟังพรานผู้นี้พูดอยู่กับเรามาทุกประโยคแล้วเราจึงจะไม่ขอกล่าวซำ้ำคนฉลาดอย่างท่านทั้งสองหรืออย่างหัวหน้าคณะของท่านก็คงจะจับตา ม, มองเราตามการเวลาที่ผ่านไปเพื่อจะได้รู้เหตุผลเอาเองแต่คนได้ปัญญาอย่างสหายของท่านผู้นั้นมักจะทำอะไรที่โง่เขลา เพราะขาดสติยังคิดอยู่เสมอพร้อมกับพูดกุตมะพยักหน้าไปทางชายันซึ่งกำลังนั่งคุยรวมกลุม่มอยู่กับพักพวกอื Nixon ่นๆโดยที Atl ่เจ้าตัวขณะนี้ไม่ได้หันมาให้ความสนใจกับกุตมะอีกเลยเมื่ออยู่กันตามลำทังระหว่างพวกเรากับท่านเช่นนี้ดูท่าทีเหมือนกับว่าท่านจะเป็นมิตร แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าสิงหราและพวกทรราชทั้งปวงท่านเปลี่ยนลักษณะไปเป็นศัตรูของเราบอกสิกุตมะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นใช่เรายอมรับในข้อนั้นเพราะถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นพวกท่านก็คงไม่เลือกเอาเราลงมาเป็นตัวประกันไงอ๋อนี่เป็นการวางแผนของท่านโดยเจตนาทีเดียวเช่ยเหรอ ที่จะให้เกิดเหตุการณ์ในรูปนี้ขึ้นระพินเน้นถามซ้ำอีกครั้งกุตมะก้มศีรษะพยักหน้ารับใช่ละเป็นเจตนาของเราและกษัตริย์สิงหรากับรหัสยะร่วมกันถ้าท่านเลือกเอารหัสยะลงมาแทนเราท่านก็จะไม่ถูกขังอยู่ในที่นี้เพราะชีวิตของรหัสยะ ย่อมมีค่าสำหรับสิงหาราเนื้อกว่าเรามากนะักสิงหาราจึงแสดงท่าทีให้เราท่านเห็นว่าโกตมะนี่สำคัญนะักสำคัญจนถึงกับขอตัวออกไปก่อนไงในระหว่างที่ท่านทำนักกันอยู่ในตำหนักหลังเล็กในอุทยานโดยแกล้งปล่อยให้รหัสยะเป็นตัวประกันแทนเรานั่นแปลว่าสิงหาราเห็นเราสำคัญ และห่วงใยเราอย่างยิ่งแผนการนั้นแหละเป็นแนวทางตะล่อมให้พวกท่านเลือกเอาเราลงมาเป็นตัวประกันในการก้าวลงมาสู่คุกใต้ดินนี่แล้วก็ได้ผลตรงตามประสงค์ของสิงหาราทุกอย่างพระนใหญ่หันไปทางนายจ้างสาวหรือแม่ดอกฟ้าดารินของเขาและจับแขนอย่างสนิทสนมดึงเข้ามายืนอยู่ใกล้เบื้องหน้าของกุตมะ คุณหญิงคิดยังไงครับก็คิดอย่างชัยันน่ะก็คือตาเท่ากุตมะนี่มันงูพิษที่พักดีแต่เจ้านายของเขาเหลือเกินจนถึงก็ยอมตายแทนได้ซึ่งเราก็ควรจะแล่เนื้อแกะออกทีละชิ้นแล้วโยนขึ้นไปให้ไอ้พวกนั้นดูแต่ถ้าคิดอย่างรพินไพรวันลอนเหลือตามองหน้าเขาแล้วยิ้มนิดนิด มันน่าจะมีเบื้องหลังอะไรที่น่าเห็นใจตาแก่คนนี้มากทีเดียวที่ต้องทําอย่างนี้เพียงแต่เรายังขอร้องหรือบังคับให้แกพูดออกมาไม่ได้เท่านั้น mm hmm. แล้วทาไมคุณหญิงถึงคิดว่าผมคิดเช่นนั้นล่ะครับเช mm hmm. ่นสังเกตจากท่าทีของคุณที่แสดงต่อกุตมะภายหลังจากรู้แน่ว่าพวกเราทั้งหมดถูกขังตายอยู่ในห้องนี้แล้วอย่างแน่นอน คุณให้ความเห็นอกเห็นใจและดีต่อแกเหลือเกิดอ่ะแล้วจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาละครับในการที่เราจะต้องฆ่าหรือทำทารุณกรรมคนแก่สักคนนึงในเมื่อรู้แน่ว่าหากเราตายแกก็ตายอยู่ด้วยแล้วนั่นนะสิถึงว่าสิแต่เดี๋ยวนะขอสัมษณ์อีกสักสองสามประโยคเถิดดารินเอื้อมือมาแตะไหลกุตมะเบา กุตมะถามหน่อยนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่เป็นแผนการที่สิงหรากะท่านกำหนดขึ้นไว้ก่อนแล้วหรือว่าท่านเองถูกหักหลังพร้อมกับเราด้วยกุตมะเอามือกลุ้มมือดารินที่แตะไหล่แกไว้อีกทีหนึ่งฝ่ามือของนักรบเท่าอบอุ่นและดูยังแข็งแรงที่จะจับอาวุธได้อย่างสบายแม่จิง เราไม่ได้ถูกหักหล้างรอกเราก็สิงหรารู้กันอยู่ก่อนแล้วว่าจะหลอกพวกท่านให้ลงมาติดกับอยู่ในนี้ขอบใจมากนะกุตมะที่ท่านให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาที่สุดอะแล้วไหนลองบอกมาสิว่าสิงหราสั่งท่านไว้เช่นไรในการที่ให้ท่านเสี่ยงชีวิตเอาพวกเรามาขังติดอยู่ในคุกใต้ดินนี่ มีข้อเสนออะไรมาให้ท่านเป็นตัวแทนต่อรองหรือเปล่าก็มีบ้างเหมือนกันแต่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไหนเราบอกมาสิข้อต่อรองหรือข้อบีบังคับของสิงหราที่จะมีต่อพวกเราเพราะบอกตามตรงนะพวกเราก็ต้องการรอดชีวิตและกลับบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนกันไม่จะมาถูกขังอดตายอยู่ในคุกนี่ ข้อต่อรองแล้ข้อที่หนึ่งพวกท่านมีอาวุธสายฟ้าติดตัวกันอยู่ทุกคนและพยายามที่จะบีบบังคับสิงหาราด้วยอาวุธนั้นเพื่อจะทำอะไรก็ได้ในเมืองนี้ตามใจชอบสิงหาราจึงจำเป็นจะต้องหาทางกักขังพวกท่านไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตนเองและวงสานาญาตของเขาข้อที่สอง พวกท่านเป็นนายของคนใช้คนหนึ่งซึ่งความจริงก็คือรัชทายาทจักรราชผู้จะกลับมาสร้างเหตุกะลียุคนองเลือดสิงหาราต้องการใช้ชีวิตพวกท่านทุกคนเป็นเยื่อล่อตัวจักรราชเพื่อกลับจัดจะแต่จะสําเร็จหรือไม่เพียงไรนะ่ะมันก็ยอมสุดแล้วแต่ว่าจักรราชมีความรักและห่วงใยต่อพวกท่านเพียงไหนถ้าเขาสนใจกับพวกท่าน เขาก็จะถูกล่อมาติดกับดักอีกคนหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่สนใจพวกท่านก็จะถูกขังอยู่ในนี้และปล่อยให้ตายไปอย่างช้าๆโดยการไม่ให้น้ำและอาหารคนเรานะ่จะอดน้ำและอาหารได้อย่างมากก็ไม่เกินหกเจ็ดวันเร็วแรงและปัญญาความคิดของพวกท่านจะค่อยๆหมดไปทีละน้อย แล้วก่อนที่พวกท่านจะถึงวาระสุดท้ายจริงๆสิงหราก็อาจจะมีข้อเสนออันใดมาอีกก็ได้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบได้แต่ทราบว่าในภาวะเช่นนั้นแล้วพวกท่านต้องยอมแน่แน่อ๋อท่านก็มีไม้สูงมาเหนือเราเหมือนกันนะเนี่ยที่กล้าเสียงลงมากับพวกเราในครั้งนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดสิงหราก็ใช้ท่าน เป็นผู้เสนอความต้องการของเขาและอาจหวังไว้ว่าบางทีเราจะยอมและไม่กล้าทำอันตรายใดๆต่อท่านกุตมะสันศีสะแช่มชาสิงหราณนะหวังไว้เช่นนั้นแต่เร า, าไม่ได้หวังเช่นนั้นหรอกท่านทำได้สองอย่างในขณะที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้สักอย่างเดียว เราทําอะไรสองอย่างที่ท่านว่าเราพินถามขึ้นโดยเร็วท่านพรานข้อที่หนึ่งเมื่อรู้ตัวว่าถูกเราหลอกลวงท่านก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรกับเราได้ทุกอย่างแม้แต่จะฆ่าซะเดี๋ยวนี้ข้อที่สองถ้าท่านถูกขังให้อดตายเราก็อดตายพร้อมกับท่านใช่ว่าจะรอดไปได้เมื่อไร นี่กุฎามะท่านไหนไปพักดีซื่อสัตย์อยู่กับไอ้คนโกงสองพี่น้องนั่นอยู่ได้ยังไงนะระพินพูดเสียงต่ำๆพร้อมกระถอนใจเบาๆเอาเถอะเราจะไม่ฆ่าหรือทําอันตรายใดๆท่านกับคนของท่านหรอกแต่อดตายอยู่ในนี้ก็ตายไปด้วยกันนั่นแหละยังไงก็ตามก่อนที่เวลานั้นมันจะมาถึงมันก็มีเวลานาน พอที่จะใคร่ครวนอะไรว่ามันถูกมันผิดแลวถ้าถึงเวลานั้นบางทีท่านอาจช่วยอะไรเราบ้างก็ได้เราจะไม่รบกวนอะไรท่านจะปล่อยให้ท่านอยู่กับคนของท่านทั้งสี่คนนี้ตามสบายขณะ น, นี้เราก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกันแล้วขออย่างเดียวอนะอย่าให้คนของท่านต่อสู้หรือหาทางทําร้ายอะไรฝ่ายเราในรูปใดทั้งสิ้นมิฉนั้น เรามีความจําเป็นจะต้องฆ่าเขาซะ ก, ก่อนแล้วก็ก็<ๆ>หันมาทางดารินไปเถอะครับคุณหญิงไปคุยกับคุณชายกลางและนานอินดีกว่าเรายังไม่ได้พูดอะไรกันเลยก่อนจะถึงเวลาที่เราอดตายนี่ก็คงจะคุยอะไรกันได้อีกเยะสำหรับนักเดินทางที่เก่งที่สุดในโลกสองคนนั่นเชิญท่านตามสบายทัดไม่ต้องห่วงกังวลอะไรกับเราทั้งนี้ รับรองว่าผิดภัยของเราที่มีต่อท่านสิ้นสึดลงเพียงแค่นำท่านมาติดกับของสิงหาราเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วศียงกุตมะพูดมาหน้าตาเฉยดารินโคลงศีษะช้าแต่หน้ายังยิ้มแล้วฉุดระพินให้กลับเข้าไปรวมพวกทันทีที่ทั้งสองก้าวเข้าไปร่วมด้วยเฉษฐาก็ถามสวนมาก่อนในทันทีว่า ไปพูดอะไรอยู่กับกุฎธมะดารินเป็นผู้เล่าให้พี่ชายฟังในข้อความทั้งหมดที่เจรจาโต้อตอบกับที่ปรึกษาฝ่ายทหารของโมรกุฎนครทุกคนฟังอย่างสงบและใช้ความคิดหนักไม่มีใครแสดงอาการเกรียวกราดโกรธแค้นอีกแม้แต่ชายันสิบัดนี้เขาก็ไม่สนใจอะไรกับกุฎธมะและทาาทั้งสี่คนนั่นอีกแล้ว ถ้าจะมีก็แต่เพียงพวกพรานพื้นเมืองที่อยากจะเข้าไปหกักคอกุตมะซะในพวกนั้นก็ถือคําสั่งของเชื้ถาอย่างเคร่งครัดเพียงแต่สายตาที่มองไปเท่านั้นซึ่งบอกถึงความเครียดแค้นอย่างยิ่งนี่ถ้าใครจะโกรธกุตมะก็โกรธฉันดีกว่าที่ตัดสินใจผิดเลือกเอาตาเท่านั้นลงมาเป็นตัวประกันทั้งทั้งที่แท้จริงแล้วควรจะเลือกเอารหัสยะ รักษัตร์สิงหาราเองด้ววิชานั้นก็สั่งให้มันเอากลางขนานอินขึ้นไปหาเราไม่ใช่เราเป็นฝ่ายเดินลงามาติดกับแบบนี้เชี่ฐากล่าวขึ้นคุณชายครับไม่มีใครโทษคุณชายหรอกครับในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าสิงหารานะจากรูปการนะถ้าเป็นผมผมก็เลือกเอากุตมะมาเป็นตัวประกันเหมือนกันเพราะมันทำอุบายลวงเราไว้อย่างสนิทที่สุด มันทาเป็นห่วงใยกังวลต่อกุตมะซะยิ่งกว่าห่วงน้องชายของมันซะอีกระพินพูดขณะที่สุดกายลงนั่งขัดสมารถล้อมวงกับพรรคพวกของเขาน้อยจากอาหารสำเร็จรูปในลักษณะแท็บเล็ตที่น้อยมีอยู่เนี่ยพวกเราทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอาหารนานประมาณสักเท่าไหร่เฉถาหันไปถามแพทย์ประจาคณะ ซึ่งก็คือน้องสาวของเขาเองเจ็ดวันค่ะเราจะอยู่กันได้สบายแต่กำลังจะลดถอยลงกว่าครึ่งสำคัญก็แค่เรื่องน้ำเท่านั้นะค่ะในห้องขังนะ่ะมีน้ำอยู่อีกสองหยครับลำพังดื่มกันตายอย่างเดียวก็เชื่อว่าจะดื่มไปได้สัก 6-7 วันเหมือนกันมอมราชวงศ์อนุชารีบบอกโดยเร็วแล้วสั่งให้ดานอินวิ่งกลับเข้าไปสารวจ พระเกรงว่าฝ่ายของกุตมะจะเทน้ำทิง้งท่านใหญ่สูงอายุวิ่งปราดเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วกลับออกมารายงานว่าน้ำยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ดียังไม่มีใครไปก่อวินาศกรรมเททิง้งซะเฉฐาจึงสั่งให้พวกพรานพื้นเมืองไปแบกเอาไหาบรรจุน้ำที่ดื่มได้นั้นมากองรวมไว้กับสัมภระโดยถือเป็นเครื่องประทังชีพสาคัญอีกอย่างหนึ่งสาหรับการถ่ายเทของอากาศหรือออกซิเจนไม่มีอะไรจะต้องห่วง เพราะรู้สึกว่าจะมีการระบายอากาศที่ดีพอสมควรอยู่ตลอดเวลาหมอดารินพูดต่อมาอย่างกังวลว่ามันก็สําคัญอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละศพผู้คุมที่พี่ใหญ่ยิงตายกลิ้งอยู่นอกลูกรงปากทางเข้านั่นไงถ้าพวกมันมาแบกศพขึ้นไปซะก็ดีไปแต่ถ้ามันทิ้งไว้อย่างนั้นโดยไม่มีใครกล้าโผล่ลงมาอีกเพราะอาจกลัวว่าจะถูกพวกเรายิง ภายในสามวันศพจะส่งกลิ่นเน่าโชยเข้ามาในบริเวณข้างล่างนี้อีทีนี้ละก็สุดตะเวนตะกมสุดตะดวงชะตาของพวกเราทุกคนที่รวมอยู่ในนี้แหมลัคกี้นัมเบอร์พอดีใช่นะพวกเราสิบเอ็ดคนกลางกระนานอินอีกสองรวมเป็นหมายเลขสิบสามพอดีเช่ยชยันพูดอย่างพยายามจะให้คลื่นเครงแต่เมียแหม่มของเขาแก่มาว่า ทุกคนที่อยู่ในคุกใต้ดินนี่อ่รวมชะตากรรมเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่พวกเราเพียงแค่สิบสามคนรอกฝ่ายกุตมะอีกห้าคนผู้คุมที่นอนมัดถูกมัดนอนกลิ้งอยู่ในห้องนั่นอีกสองรวมแล้วอยู่ในนี้มันยี่สิบคนพอดีเราสิบสามคนน่ยยังพอมีอาหารสำเร็จรูปและน้ำประทังไปได้แต่เจ็คนฝ่ายเขาจะตายก่อนเราแน่นอน คุณชดครับระพินพูดเสียงห้าวแทรกทุกคนขึ้นเสียงของเขาทำให้ทั้งหมดสนใจอีกประการหนึ่งเขาเรียกนามปลอมของหมอมราชวงศ์อนุชาวราริศในสมัยที่พบเห็นกันเป็นครั้งแรกด้วยผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าจากการพบกันในครั้งกระโน้นระหว่างคุณกับผมและผมก็ได้ตักเตือนห้ามคุณไว้แล้วว่าอย่าเดินทางมาเลย แต่คุณก็ยังดื้อดึงมาให้ได้ตามนิสัยของลูกผู้ชายที่กล้าหาญไม่กลัวตายอย่างคุณและในที่สุดผมก็ต้องกลายเป็นคนนําทางเพื่อนําคณะพี่น้องและเพื่อนของคุณมาติดตามคุณผมนั่นไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะครับว่าคุณจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เมื่อพบหน้าคุณผมจึงรู้สึกเหมือนภาพฝันผมขอแสดงด้วยความยินดีครับที่คุณกับลุงอินยังอุตส่ามีชีวิตอยู่จนเราตามมาพบแม้ว่าในอนาคตไม่นานนี้ เราอาจจะต้องมาตายด้วยกันอนุชาวราริศเอื้อมมือมาจับมือจอมักุเทศบีบแน่นน้ำตาคลอแต่เรมฝีปากนั้นยิ้มระพินผมยอมรับนะครับว่ามันเป็นความบ้าระหำของผมเองแต่ผมก็ไม่เสียดายชีวิตหรอกในการผ่านเผชิญพบเห็นอะไรต่ออะไรในการเดินทางมหาวิบากครั้งนี้ผมขอบคุณคุณมากที่กรุณาเป็นพรานนำทางให้พี่ชายน้องสาวแล้วก็เพื่อนของผม มาตามผมจนพบคุณเป็นพรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับประวินยอมพรานสันศีรษะตรงข้ามครับคุณชดพวกเราต่างหากแล้ะครับที่คิดว่าพรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริปแม้กระทั่งคนในเมืองมรกรนครก็ยังพูดเช่นนั้นนะครับผมคิดว่าพี่น้องเพื่อนฝูงได้พบหน้าคุยอะไรกันมาบ้างและพอสมควรต่อไปนี้ผม อยากจะถามคุณชายบ้างนึกซะว่าเราคุยกันตามสบายก็แล้วกันนะครับเพราะเวลาก่อนที่เราจะตายหรือเราจะรอดนะมันยังมีอีกเหลือเฟือทีเดียวสงสัยอะไรก็ถามมาถามได้เลยคุณรพินผมกับนันอินจะตอบตามความเป็นจริงที่สุดครับนายชดหรืออนุชาวราริศกล่าวอย่างเต็มใจคงจับมือรพินบีบแน่นอยู่เช่นนั้น คุณใช้แผนที่อะไรในการนำทางครั้งนี้เหรครับนี่ระพินโดยสัตว์จริงนะผมไม่มีแผนที่อะไรเลยและนั้นอินพอจะรู้ทิศทางอยู่บ้างจากคําบอกเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินหลงออกมาจากนาครนี้ซึ่งบอกแกไว้ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะตายผู้หญิงคนนั้นนะ่ะก็มีลูกผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งติดมาด้วยนั้นอินเล่าให้ผมฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานมาแล้วเมื่อหญิงนั้นตายลง แกก็เอาลูกของผู้หญิงน่ะไปฝากพระทุดงไว้แล้วก็จำทิศทางตามคำบอกเล่านั้นไว้ในสมองตัวแกเองน่ะไม่เคยคิดว่าจะบุกบั่นมาหรอกแต่แล้วในที่สุดนานอินก็มาพบผมชอบพอรักใคร่กันในที่ในสมัยที่ผมพระเนจรออกล่าสัตว์ไปทั่วทุกป่าตอนนั้นนะ่ะผมบังเอิญได้ช่วยชีวิตแกไว้าจากการถูกช้างเหยียบเราก็เลยคบและรักกันมาตั้งแต่ครั้งนั้น แล้วแกนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ผมมุ่งเดินทางมาสแสวงหาขุมสมบัติที่นี่ชีวิตผมในครั้งนั้นนะ่ะบอกจริงๆนะครับว่ามันหมดอะไรตายอยากในทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เลยมาค่ะแกะทุกคนของฝ่ายมาติดตามยกเว้นมาเรียผู้ไม่รู้อะไรมาก่อนรอบสุตากันเมื่อได้ยินอนุชาพูดระพินหันไปถามพรานเท่าชาวลาวท่งซึ่งก็ได้รับการยืนยันอีกครั้ง นายรพินน่ะคงไม่ลืมวัตถิปงกระทิงน่ะนายเขียนหนังสือสั้นๆบอกทิศทางให้กับ น, นายชดแล้วมอบให้นานอินนํามาให้เขานานอินก็ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทุกอย่างภายหลังจากการเดินทางยากลําบากมานานเพียงสองคนเราก็พบถนนจริงตามที่นายเขียนบอกไว้สั้นๆนะ่ะเหมือนกันพวกเราคนใดคนหนึ่งเคยตั้งสมมติฐานเดาไว้แล้วก็ไม่ผิดผมรู้สึกว่าจะเป็นรพินน่นแหละ ที่ว่าการเดินทางของทั้งสองเกิดขึ้นได้ก็เพราะนันอินได้พบผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นคนบอกทางให้เฉิฐถาปืมพำออกมาใช้เวลาเดินทางนานสักเท่าไหร่ลครับกว่าจะมาถึงถนนสายนั้นจอมพรานถามต่อไปอนุชาหนิ่งนึกแล้วสั่นศีรั่เออผมก็นึกไม่ออกจริงๆนะรู้สึกว่ามันกินเวลานาน นานหรือเกินที่เราตุระตุเรกันมาในป่าลึกดงดิบเนะ่ะบางทีก็มีลักษณะเหมือนทะเลทรายในโลกล้านปีขําไหนเราก็นอนกันที่นั่นนึกว่าจะตายที่ไหนก็ให้มันตายตรงนั้นแหละเชื่อไม่บางครั้งนะอดอาหารตั้งสองสาวันแต่พระเจ้าก็ยังกรุณาเพราะจะจนแต้มก็จริงๆก็ทําให้เราได้อาหารมาประทังไว้เสมอเรากินกันแม้กระทั่งกิ่งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลาน รากไม้และก็หัวเผือกหัวมันอาศัยว่าหนานอินอะชำนาในการเดินป่ามากเราจึงรอดจากพิษภัยจากการกินอาหารผิดผิดมาได้เราพบร่องรอยของคุณมาทุกระยะนะครับนับตั้งแต่ออกมาจากหมู่บ้านลมช้างของกระหินเป็นต้นมาแต่บางระยะก็ขาดหายไปนานหรือเกินกว่าจะไปพบใหม่เป็นช่วงๆไปซึ่งช่วยให้เรามีความหวังขึ้นเป็นลําดับในการติดตาม ในระยะที่เราค้นหาร่องรอยของคุณไม่พบนี่แหละครับที่ทำให้ผมเชื่อว่าเราคงจะเดินมาคนละเส้นทางแล้วก็มาพบร่องรอยแน่นอนอีกครั้งหนึ่งที่ภูเขานิลาการของมนุษย์ลิงวายาแล้วก็ได้ไปนมัสการฤาษีกนทั ญ, ญะซึ่งคุณก็ได้ไปบูชาก่อนแล้วก่อนที่จะออกเดินทางต่อไประพินพูดช้าๆเพื่อทบทวนความทรงจำของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อนุชารีพยักหน้ารับโดยเร็ว ใช่ใช่ใช่ผมกับนา น, นอินเกือบตายเนี่ยเมื่อใกล้ภูเขานิลาการอย่างที่คุณว่าขณะนั้นนะ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่ามันมันเป็นภูเขาชื่ออะไรพวกลิงใหญ่ได้ช่วยผมไว้แล้วก็มีไม่รู้สีสัก์สิบกลายเป็นท่อนหินอยู่องค์หนึ่งเหนือที่อยู่ของลิงพวกนั้นเออแล้วคุณล่ะใช้แผนที่อะไรในการเดินทางมาได้อย่างถูกต้องครั้งนี้นายชดย้อนถามผมมีแผนที่เก่าแก่ฉบับหนึ่ง ก็ได้มานานนี่แหละครับจากนักเสี่ยงโชคชาวพมา่าแล้วผมก็ใช้แผนที่นี่แหละครับเสี่ยงติดตามหลังคุณชายมาเพราะคุณชายเชิฐากับคุณหญิงดารินนะ่ะท่านมาจ้างผมในราคาที่ผมพอใจแล้วก็กล้าที่จะแลกชีวิตได้ตามปกติแล้วผมไม่เชื่อในแผนที่ที่ผมยึดถือไว้นานแล้วนี่เลยแหะครับแต่ก็อาศัยเดินมาตามแนวทางเท่านั้นเพราะถูกจ้างอีกอย่างนึงทั้งสองสท่านที่มาจ้างผมก็มีความกล้าหาญที่จะเสี่ยง และมีเจตนาอันแน่วแน่ผมเองก็เป็นพราร์นอาชีพอยู่แล้วไม่ได้ค่าจ้างตามเรียกร้องผมก็นำมาอนุชาหันไปทางพี่ชายและน้องสาวน้ำตาไหลอีกครั้งแล้วกอดแน่นคนละทีพูดเสียงเครือไม่นึกเลยนะไม่นึกจริงๆว่าทั้งสองคนจะมาตามคนอาภัพอย่างฉันแล้วก็ขอบใจมากขอบใจอย่างที่สุด ทั้งน้อยและพี่ใหญ่ด้วยแกด้วยชช ย, ยันการพบหน้ากันในครั้งนี้ที่นี่ทำให้ฉันเข้าใจอะไรดีที่สุดละพี่น้องไม่มีวันตัดขาดกันได้และพี่น้องพร้อมกับเพื่อนเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันคนเดียวฉันยอมรับว่าเป็นต้นเหตุแห่งความลำบากของทุกคนเพราะความเจ้าอารมณ์หุนหันพลันแล่นจนเกินไป คำพูดของหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริปทําให้ทุกคนอึ้งงันไปอีกครั้งเชษฐากับชัยยันน้ําตาซึมออกมาอีกส่วนดารินพูดพลางร้องไห้พลางพี่กลางคะอย่าไปรื้อฟื้นถึงความหลังอีกเลยคะ่ะน้อยพี่ใหญ่แล้วก็ชัยยันพอใจที่ได้เห็นหน้าพี่กลางอีกครั้งแม้ว่าเราจะต้องมาตายด้วยกันอีกในครั้งนี้ก็ตามค่ะ จอมพลานปล่อยสภาพการร่ํารําพันระหว่างพี่น้องให้ผ่านไปอีกครู่ก็กล่าวต่อไป uh oh. คุณชายกลางครับพวกเราพบร่องรอยครั้งสุดท้ายของคุณชายกัะนั้นอินที่บริเวณใกล้ๆเนินพระจันจรจึงทําให้เรารู้แน่ว่าเราตามมาไม่ผิดทางแล้วและคุณชายจะต้องขึ้นเทือกพระศิวะได้ถูกต้องผมอยากทราบนะครับว่าคุณชายใช้เป้าหมายอะไรเป็นที่สังเกต กระทั่งตัดเทือกเขาพระศิวะได้ถูกทางจนถึงถนนใหญ่ที่จะนำเข้าสู่มรกรกนครอนุชาวรารธิ์มองไปทางหนานอินพรานคู่ใจเหมือนจะช่วยกันย้อนเตือนระลึกแต่พรานเท่าชาวลาวส่งซึ่งอาวุโสกว่าเท่าบุญคำของรพินมากไม่ว่าจะโดยอายุหรือความจัดเจนก็ส ก, กิดบอกเจ้านายพูดเบาๆว่ า, วานาย นายลืมฤาษีที่เป็นหินองค์นั้นไปซะแล้วเลย อ, อนุชาลืมตากว้างอย่างนึกขึ้นมาได้ร้องออกมาว่าเออจริงแล้วก็หันมาทางพี่น้องบอกอย่างกระตือรือร้นว่ามหารฤาษีกนธัญญะที่มีอาสมอยู่เหนือหน้าผาของนครลิงองนันแหละวันที่เราสองคนไปกราบลาท่านก่อนจะออกเดินทางต่อไปเน่ะท่านได้บอกข้อความสําคัญแก่ฉันมากทีเดียวในเรื่องนี้ คือบอกให้เดินทางมาถึงเนินพระจันทร์ฉันจำได้แล้ ว, ลวตอนนั้นท่านระบุบอกไว้ว่าเป็นเนินพระจันทร์อย่างที่คุณรพินอ้างถึงเหมือนกันท่านม่เดินมาถึงเป้าหมายตำแหน่งนั้นก่อนวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองท่านยังบอกไว้ด้วยหรยว่าถ้าฉันมาไม่ทันตามวันที่ท่านกำหนดไวน้นี่ก็จะไม่มีวันค้นหาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะทุกท่านบอกไว้อย่างแน่ชัดว่า เมื่อมาถึงตามวันนั้นก็ให้รอพระจันทร์ข้างขึ้นห้าค่ำซึ่งจะตกและจะทํามุมแตะติด ก, กระยอดเขาลูกหนึ่งชื่อเขาศิวเทพทันทีที่พระจันทร์แตะติดยอดเขาศิวเทพปรากฏการณทางธรรมชาติก็จะทําให้ภูมิประเทศของเทือกพระศิวะสว่างสวัยไปหมดและจะมองเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนั้นเป็นรูปฐานของสตรีและก็ไม่ให้รอช้า ไม่เห็นทางดังนั้นแล้วก็ให้รีบตัดทางขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเลยซึ่งก็จะพบกับถนนใหญ่ของพระศิวะและข้อความส่วนหนึ่งที่คุณรพินเขียนโน้ตไว้ให้ฉันก็ตรงกันกับที่ท่านบอกไว้ทุกประการเพียงแต่คุณรพินไม่ได้บอกเท่านั้นว่าฉันจะต้องรอวันเวลาใดมหาฤษีกลธัญะท่านช่วยบอกทางครั้งล่าสุดให้แก่ฉันฉันถึงได้พบกับถนนที่คุณรพินบอกไงฝ่ายรับฟัง มองหน้ากันเองอีกครั้งนี่สมมุติฐานของเราไม่มีอะไรผิดไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะท่านัวหนาคณะพึมพ์ำกับผู้ที่มาด้วยทุกคนนี่แสดงว่ากลางกรหนันอินดัดขึ้นเทือกพระสิวะวันเดียวกับที่เราได้ผ่านขึ้นมานั่นแหละแต่ตามหลังกันมาคนละปีนี่กลางฉันสงสัยนะชายันจับเข่าเพื่อนรักถามบ้างก่อนจะเข้าถึงบริเวณเนินพระจันทร์ อีตอนนั้นมันเป็นฤดูหนาวหิมะลงจัดทุกสถานที่และขุนเขาแกขนานอินสองคนทนความหนาวเหล่านั้นมาได้ยังไงโดยไม่ตายไปซะก่อนอานุชาหรือนายชดนักผจญภัยที่เยี่ยมยอดที่สุดหัวเราะร่าเริงอ๋อเรื่องนั้นเหรอวายาเจ้าแห่งนครลิงเป็นผู้ให้ว่านชนิดหนึ่งแก่ชั้นและขนานอินพอเพราะเคี้ยวเรืออ์ไว้ในปากเท่นั้นแหละอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา ไม่ว่าจะต่ำสักเท่าไรทำอะไรเราไม่ได้เลยมันเป็นตัวยาที่ร้อนจัดมากถ้าไม่ได้มาหาฤาษีกับสมุนลิงของท่านแล้วฉันกนานอินก็คงจะเดินทางมาไม่ถึงที่นี่ได้แน่นอนคงตายสะตรงใกล้ภูเขานิลการนั่นสั ก, ก่อนด้วยซ้าแล้วเขาก็หันไปทางระพินในตาสุกใสเป็นประกายทั้งหมดสังเกตเห็นสุขภาพของนักโทษทั้งสองไม่ได้มีอะไรร่วงโรยชุดโทมไปมากนัก คงได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพอสมควรตามที่กุฎามะเคยบอกไว้จริงหากแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักเดินตาที่ระพินเคยเห็นแต่แรกคงจะเปื่อยชำรุดไปหมดแล้วจึงอาศัยเสื้อผ้าปิดร่างในลักษณะของชาวมรกรนครและผมเผ่าหนวดเขาก็รุงรังไปบ้างเท่านั้นนี่ระพินว่าแต่คุณเถอะคุณนาพวกนี้ตัดเถอพระศิวะเข้าม า, ร า, ม า, ห, าหรือว่ามหาฤาษีท่านบอกทางให้เหมือนกัน จอมกุเทกยิ้มน้อยๆผมเรียนแล้วไงครับว่าผมมีแผนที่เก่าแก่เป็นเครื่องนําทางแต่เมื่อมาถึงเนินพระจันทร์แผนที่นั้นไม่ได้บอกความตามตรงเหมือนอย่างที่ฤาษีกนธัญญะบอกกับคุณชายกลางหากแต่บอกเป็นรูปปริศนาให้ตีความเอาเองคือบอกว่าเมื่อปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอูมาก็จะปรากฏให้เห็นพวกเราต้องขบคิดกันแทบตาย แล้วรอคอยปิ่นพระศิวะตามคำบอกในแผนที่ลายแทงนั่นซึ่งมันก็ตรงตามที่คุณชายกลางเล่าให้ฟังไว้คือเมื่อจันทร์เสี้ยวขึ้นห้าขัจะตกบ่ายคล้อยไปแตะติดเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนั้นก็ปรากฏตการเป็นเทวรูปพระศิวะขึ้นมาทันทีและเมื่อมองย้อนไปทางด้านหลังอันเต็มไปได้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนของขุนเขาพระศิวะเราออกเดินทางตามภาพปรากฏตการที่ชี้บอกไว้ให้ในทันทีนั้นเหมือนกัน สำหรับมหาหรือสีโกนธัญญะท่านไม่เคยบอกอะไรแกเราทั้งสิ้นครับไม่ยอมบอกแม้กระทั่งว่าคุณชายกลางกระนันอินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ท่านบอกแต่เพียงว่าให้เราติดตามมาดูเอาเองแล้วก็ให้เราเว้นความละโมบสิ่งที่ท่านช่วยซึ่งผมเข้าใจว่าจะต้องมาจากอิทธิฤทธิ์ของท่านก็คือช่วยเราพูดภาษาของเราสือนชาวมรกนครก็พูดภาษาของเขาแต่ทั้งสองฝ่ายก็สามารถเข้าใจกันได้ดีที่สุด และผลพลอยได้อันนี้มารีอาพูดภาษาอังกฤษหรือเยอรมันเจ้าพวกกลูกหาบของเราก็ทุกคนก็เลยเข้าใจด้วยท่านปรับทรานสฟอร์เมอร์ในสมองหรือในหัวใจของเราให้สามารถพูดแล้วก็รู้กันได้ทุกภาษาโดยไม่จำกัดเมื่อเหยียบเข้าดินแดนนี้ครับผมเองก็เหมือนกับเมื่อผมเข้ามาพบปะกับชาวมรกนครคนแรกซึ่งเป็นนักล่าสัตว์ และการอุปการะช่วยเหลือเราผมและนานอินกลับพูดให้พวกล่าสัตว์มรกรณครเหล่านั้นเข้าใจกันได้อย่างประหลาดทุกวันนี้ระหว่างที่ถูกทหารยกไปล้อมและจับตัวมาเผชิญหน้ากระสิงหราผมกับนานอินก็ยังภาวนาถึงฤาษีกนธัญญะตลอดเวลาก่อนนอนแต่ละครั้งก็ระลึกถึงท่านก็แปลกดีเหมือนกันนะที่เราสองคนถูกมันเลี้ยงไว้ดูเล่นโดยไม่ฆ่าหรือทําทารุณทรมานอะไรจนเกินไปนัก จนกระทั่งได้มาพบหน้าพี่น้องเพื่อนฝูงโดยไม่คาดฝันนี่แหละแล้วดับเบิลไรเฟิลของคุณชายกับลูกซองของนานอินหายไปไหนนะครับระพินถามโฮ้ยนายระพินกระสุนแฟดของนายชดนะหมดกระสุนไปตั้งนานแล้วก่อนถึงเถือพระศิวะซะอีกส่วนลูกซองของนานอินนะก็เหลือกระสุนติดอยู่อีกนัดเดียวและนัดนั้นนะ่ะนันอินก็ยิงกวางใหญ่ล้มลงเป็นอาหาร เมื่อเราเข้าถึงถนนใหญ่แล้วก่อนที่รุ่งขึ้นจะพบพวกล่าสัตว์ะเจนจรของมรกรนครแล้วเอาเราไปเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งปืนที่หมดกระสุนเราทิ้งไปแล้วดูเหมือนจะโยนลงลำธารไปเพราะมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นอินเป็นคนบอกบนหัวเราะนี่ก็แปลว่าไม่มีอาวุธใดๆเหลือติดตัวอยู่อีกเลยสิหลังจากเข้าถึงชายแดนมรกรนครแล้ว ช ย, ยันถามยำอนุชายักไหลดีเท่าไรแล้วที่กระสุนมาหมดเอาเมื่อถึงมารากรนครไม่หมดสักกลางทางซึ่งเราต้องตายก่อนจะถึงเมืองนี้แน่นอนฉันกันันอินมีดาบเดินป่าติดตัวมาคนละเล่มเท่านั้นแหละขณะที่พวกล่าศชาวเมืองเขามาพบกันครั้นแล้วทั้งสองฝ่ายก็ต่างสอบซักถึงทิศทางของการเดินทางของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียด ซึ่งจากปากคำบอกเล่าของนายชดและพรานเท่านาันอินทำให้ฝ่ายติดตามทราบว่าทั้งสองคนเดินกันมาคนละทิศละทางกับฝ่ายติดตามและไม่ได้ผ่านเผชิญกับสัตว์ประหลาดในโลกยุคดึกดำบรรรินครร้างอันอาถรรพ์ใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่พบกับสัตว์ ร, ร้ายในโลกปัจจุบันเท่านั้นประกอบกับเส้นทางเดินอันแสนลาบากยากเย็นอนุชากนานอินเล่าให้ฟังเพียงว่า เมื่อออกจากกลุ่มช้างพบสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่คิดไว้ไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหรือแรดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในระหว่างเดินทางมากลางทะเลทรายพบเสือเขี้ยวดาบเข้าตัวหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่สุดไม่เคยพบอนุชาจึงยิงเพื่อเอาเป็นอาหารก่อนที่ฝ่ายตนเองทั้งสองจะกลายเป็นอาหารของมันไปเชิดเทาวราฤทธิ์รอบขยิบตากับพวก ไมใ่ใครเล่าถึงความลี้ลับแปลกประหลาดมหัสัจจันที่ผ่านพบมาเพื่อให้นายชดหรือนานอินทราบเพราะเห็นว่าถึงเล่าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นโชคดีของทั้งสองคนแล้วที่ไม่ได้พบอันตรายมหาสัจจันมากมายผิดกระฝ่ายที่ติดตามมาแล้วอนุชาวราริตกรหนานอินก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดว่าถูกทหารกองหนึ่งเป็นทหารที่ส่งตรงมาจากสิงหราเข้าล้อมจับนําตัวเข้ามาในเมือง อันเป็นเหตุการณ์เดียวกันกันกบที่กุตมะได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนั่นเองทั้งสองถูกสอบสวนในฐานะนักขโมยต่างแดนที่จะเข้ามาเป็นอันตรายต่อมหาสมบัติอันมีค่าของแผ่นดินและถูกคุมขังไว้ในคุกกลางอุทยานนี้ได้รับการเลี้ยงดูดีพอสมควรและในเวลากลางวันก่อนค่ำก็ยังมีอิสระพอที่จะขึ้นไปตากแดดรับลมบนดาดฟ้าชั้นบนของคุกได้แต่พอถึงเวลากลางคืน จะต้องถูกนําลงมานอนในห้องใต้ดินนี้เป็นประจําทุกวันผิดสังเกตมาก็แต่เพียงสองวันเท่านั้ น, นที่ทั้งสองถูกกักขังอยู่แต่เฉพาะในคุกใต้ดินไม่ ย, ยอมอนุญาตให้โผล่ขึ้นไปเห็นเดือนเห็นตะวันก็ออกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าสิงหราจะมาไม้ไหนซึ่งทั้งสองก็เพิ่งทราบสาเหตุนี่เองว่ามันเป็นระยะที่กองทัพรหัสศยะไปจับเอาคนตากแดนมาได้อีกคณะหนึ่งทั้งคู่ติดคุก อยู่ในเขตราชฐานของมรกรนครเป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มก่อนที่พักพวกจะตามมาถึงไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกทั้งสิน้นหมดความโลภในทรัพย์สินที่เดิมคิดจะได้ขอเพียงให้ชีวิตอยู่รอดไปวนันๆและรอความหวังว่าเมื่อใดสิงหราจะปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระและทามาหากินเยี่ยงชาวมรกรนครทั้งหลายเสียที ซึ่งก็ตกลงปร่งใจว่าจะอยู่กันในแผ่นดินนี้ไปจนตายโดยไม่คิดจะหวนกลับไปยังโลกภายนอกอีกแล้วระหว่างที่พี่น้องเพื่อนฝูงสนทนาเล่าความกันอยู่นั้นระพินก็หันไปทางนานอินยกมือขึ้นตบไหล่หนักนวงหลุงอินระหว่างที่ลุงท่องเที่ยวอยู่ในป่านะทัน ง, งีอเคยปวดฟันอย่างมากบ้างไหมคําถามของเขาดูจะไร้สาระ และคนอื่นก็ไม่สนใจนอกจากดารินซึ่งหันไปดูและคอยเงี่ยโสดโดยไม่ต้องคิดเลยพรานใหญ่ชาวลาวส่งก็ตอบทันทีว่าโอ้ยเคยสินายปวดแทบดินแทบจะาหวชมต้นไม้เลยเจ้านายเออแล้วลุงทำยังไงเขาถามยิ้ ม, ย, มยิ้มต่อไปพร้อมกับจุดบุหรี่ใบตองแห้งสูบ ต, ตอนนั้นนา น, น, านอินกาลังตามกระสูนตัวนึง่งในเคปามาก ไอ้พรานก็เรียงมุมคนหนึ่งมันช่วยแพ้หนานอินไปถอนฟันออกโอ้ยฟันกรามสะดดวยมันพาไปในเมืองพามา่าไม่รู้ว่าเมืองอะไรหนานอินก็ลืมไปซะแล้วพอถอนฟันเสร็จก็หายเป็นปลทิ้งนี่ยังไงละนายนี่นีฟันสินี่ยังไงว่าแล้วแกก็อ้าปากกว้างชี้นิ้วให้ดูระพินมองแล้วพยักหน้าช้าๆเออลุง แล้พลานกระเรียงหนุ่มที่พาลุงไปถอนฟันน่ะมันชื่ออะไรคราวนี้นานอินขมวดคิ้วคิดอยู่นิดนึงแล้วว่าเอ็นานอินก็ไม่แน่ใจนะว่าจะจําชื่อมันถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเห็นหน้าก็จําได้ก่อนนี้น่ะมันเป็นนายกองโจนกระเรียงนานอินทํางานเป็นสายลับให้ตอชอดอไทยพวกกระเรียงมันจะยิงนานอินทิ้งสลายครั้งแล้ว แต่ไอ้เจ้าทหารก็เรียงคนนี้แหละที่มันคอยช่วยเหลือนานอินไว้ต่อมามันออกจากทหารไปเป็นกรรมกรขุดเมืองและในที่สุดก็มาเป็นพรานท่องเที่ยวไปเรื่อยเรื <S <S เรามาพบกันข้าก็เลยชวนกันตามกระสู้โอ้รูปร่างมันสูงใหญ่หน้าตาลอเหลาทีเดียวถ้าทางไม่เห็คนก็เรียงรอกดูเหมือนมันจะชื่อโง่ทายหรือเงาทายอะไรนี่แหละ นันอินก็ชัดจะเลื่อนเลือนใช่แล้วนี่ระพินคุณกำลังจะสอบความจริงอะไรบางอย่างตอนที่แงซายยืนยันว่าหัวกะโหลกที่เราค้นพบในใบบัวกินคนในทะเลสาบมรณะว่าไม่ใช่กะโหลกของนานอินใช่ไหมแม่ดอกฟ้าดารินของเขาปฏิพานวัไวและจำเหตุการณ์ได้แม่นยำเสมอระพินหันไปมองหน้านิดหนึ่งไม่ตอบคาถามเช่นไรแต่หันไปพูดกับ น, นานอินต่อ นี่ลุงอินคราวนี้นะลุงลองย้อนความจำลึกลงไปกว่านั้นที่ลุงผู้หญิงชาวเขาคนหนึ่งที่มากับลูกชายเล็กๆซึ่งลุงช่วยชีวิตไว้แม่ของเด็กตายเพราะไข้หนักเหลือแต่ลูกชายแล้วลุงก็ช่วยนำลูกชายไปฝากไว้กับพระตุดงเออลุงพอจะจำได้ไหมผู้หญิงคนนั้นนะชื่ออะไรนานอินสันสีรษะนาย นั้นอินก็จําไม่ได้แล้วทุกไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นนะ่ะชื่ออว์หรืออ้วงก็จําไม่ได้นะชื่อคําเดียวกําลังไข่หนักนอนอยู่ใต้ร่มไม้ลูกชายนะ่ะนั่งเฝ้าร้องไห้แง่ๆอยู่ใกล้ๆนานอินนะ่ะเอาน้ําเข้าไปให้กินได้อึกสองอึกสัางเสียเรื่องลูกบอกถึงเมืองที่มาของนางแล้วนางนั่นก็ตายไปนั้นอินก็ขุดลุมฝังตรงนั้น ลูกชายก็ช่วยเอาดินกลอบร่างของแม่ด้วยนั้นอินน่ะไม่ได้สนใจว่าเด็กมันจะชื่ออะไรนะก็เรียกมันว่าไอ้หนูไอ้หนูพอมันแม่มันตายฟังเสร็จก็จูงมือมันไปกันนันอินท่องเที่ยวยิงสัตว์เลี้ยงดูกันอยู่ได้ไม่เกินสีห้าวันก็พบพระธูดองศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งก็ที่นั้นอินเคยพบเห็นท่านบ่อยครั้งกลางป่าลึกเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็ฝากเด็กไว้กับท่าน หลวงพ่อท่านก็รับเอาไว้อย่างเต็มใจแล้วก็ยังบอกนานอินอีกเลยนะว่าเมตตาธรรมของเองในครั้งนี้นะ่ะมันยิ่งใหญ่นักนาะน้านอินเด็กคนนี้ต่อไปภายหน้าจะได้เป็นใหญ่แล้วก็จะได้เป็นผู้ช่วยชีวิตเองไว้อะนับจากวันนั้นมาจนเดี๋ยวนี้นานอินก็ไม่เคยพบหลวงพ่อองค์นั้นก็เด็กติบเอาไปฝากอีกเลย คำพูดของหนานอินที่ตอบโต้กับพระพินเริ่มเรียกความสนใจของคณะพักให้เบนมาทันทีโดยชะ ง, งักการพูดคุยกันชั่วคราวหันมาฟังกันทั้งหมด